<c oughs> นะลองทำกันช <c oughs> ีวิตเราต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ เหมือนเหมือนแร่ที่อยู่ในก้อนหินอยู่ในดินยังไม่มีประโยชน์แต่ต้องเอาแร่นั้นมาถลุงเอาก้อนหินมาถลุงเอาก้อนดินมาถลุงให้มันเป็นคนละส่วนอันหนึ่งเป็นก้อนดินก้อนหินอันหนึ่งเป็นแร่เอาประโยชน์ แล่ไปทำอะไรได้แลดีบุกแล่สังสีแล่เงินแล่ทองแล่ต่างๆ <c oughs> <c oughs> มันก็จึงเป็นประโยชน์ชีวิตเราก็เช่นกันเรามีชีวิตอยู่เป็นชไหนใช้ชีวิตอย่างไรก็ไม่ถลุง มันก็จะศูนย์เปล่ามีรูปมีนามได้รูปได้นามมาแล้วเหมือนเกิดก้อนแร่ก้อนดินก้อนหินแร่เหล็กแร่ทองเหมือนรูปเหมือนนามเนี่ยเป็นก้อนอยู่เมื่อเรามาถลุงคือมามีสติเห็นมันคืออะไร ตมันถลุงไปถลุมาก็เห็นเป็นสัดเป็นส่วนอันหนึ่งเป็นส่วนรูปอันหนึ่งเป็นส่วนนามที่เราเรียกว่ากายว่าใจมันก็แยกได้เห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามมันก็ต่างกันกับเป็นรุ่นเป็นข้อเหมือนก็ก็อหิน เมื่อมาถลวงก็เป็นคนละส่วนเป็นส่วนแรกเป็นก้อนหินแล้วเลือกได้เอามาทำประโยชน์เออถ้ามันถ้ามันเป็นก้อนดินก้อนหินก็เป็นอันเดียวเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าถลุงแล้วไม่ใช่สุขใช่ทุกข์เป็นอาการเป็นเพียงอาการ ทุกทุกเป็นนาการไม่จะสุขไม่ได้ไม่จะทุกข์ไม่ได้เป็นอาการเกิดกับรูปเป็นนาการเกิดกับน้ําใจสุขไม่ได้เด็ดขาดจใจทุกข์ไม่ได้เด็ดขาดนั้นผิดประเภทโดยใช่รูปใช่น้ําผิดประเภทเอามาเป็นตัวเป็นตน้น <c oughs> มองข้ามซะรูปมาเป็นตัวเป็นตน ก็เลยเกิดเจ็บเจ็บตายทิ้งไปเปล่าๆเป็นทุกข์ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้งหน้าแล้วเวรรูปก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาก็เป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นทุกข์ ความปรารถนาเชิงใดมาได้เชิงนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความภาพแชน้นกายก็เป็นทุกข์ไปเสร็จแล้วก็เป็นกลายเป็นใจเป็นแบบนั้นในการเกิดเจ็บตายเป็นอย่างนั้นหรือว่ากายใจแต่ถ้าเห็นมาถลุงมันก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนมันเป็นทุกข์วันนี้มันเห็นทุกข์ อ่านความเป็นกับความเห็นคนละอ่านกันต้องให้ดีๆ ด, ดูให้ดีๆอย่าเพึ่งเชื่ออย่าเพึ่งปฏิเสธเอาไปทําดูก่อนต่างกันไหมก็มไม่สบายกายก็มไม่สบายใจเป็นทุกข์เมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็น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 เาสู่วงในอของอริยสัจได้เห็นแล้วนะเถิจากตรงนี้แต่ว่าของจริงเป็นอย่างนี้มีจิตมีจีตริก ม, มีรูปมีนิพพานมันเป็นปรมัจริจิตนี่ก็เหมือนคล้องรูปก็เหมือนคล้อง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 เสียงนันเป็นอาการไม่ใช่ตัวคล้อง <c oughs> ไม่ใช่ตัวคล้องคล้องไม่มีเสียงแต่มีเหตุเกิดปัดจจัยเกิดขึ้นก็มีเสียงได้เหมือนจิตของเรานี่ถ้ามีอะไรสัมผัสก็เกิดขึ้นได้โวามาลู้อะไรได้เหมือนคล้องมีเสียงแต่เสียงนั้นไม่ใช่คล้อง เวลาการเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเช่นกายเช่นใจเช่นรูปเช่นนามมันมีรูปมันมีนามมันจึงมีอาการมัใช่ตัวใช่ตนถ้ารูปถ้านามไม่มีอาการถ้ารูปถ้ามีแต่รูปไม่มีนามอาการก็ไม่มีเช่นคนตาย อาการโล้นอาการหนาวไม่มีคนตายสมัยโบราณเมื่อเวลาตายสมัยก่อนไม่มียาย่าอะไรที่เขาเอาไปขีนให้คนตายไม่เหนเน่าแต่ก่อนไม่มียาประเภทนี้มีแต่น้ำมันกาน เวล า, าตายไปก็เอาน้ามันกาดกอกคอถ้าหมดไม่ถึงขวดยังไม่ยอมก็อเอาขวดพยายามกอกไปยกคอขึ้นให้ยกตัวขึ้นตั้งไว้เอาน้ามันกาดกอกปากไม่รู้อะไรเพราะคนตายไม่มีไม่มีน้ำมีแต่ลูก เป็นๆอยู่ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันมีแต่ลูปน้ำไม่มีแล้วเหมือนต้นก้อนห็นก้อนต้นเสาต้นสูงแต่เผาไฟก็ไม่เจ็บชีวิของเราเป็นอย่างนั้นขนาดที่มันเป็นรูปเป็นน้ำเราจะทำยังไงก็มีลูกทำนาทำ้าทา รูปเหมือนทำดีรูปเหมัอนทำชั่วเห็นใช้รูปให้ทำดีใช้น้ำให้ทำดีใช้รูปให้ทำละขมชั่วใช้น้ำให้ละขมยั่วมันก็ทำได้ก็เห็นอย่างนี้เป็นคนร้อยส่วนก็มีชีวิตเหลืตอตนเนี้ยก็เห็นรูปมาทำเห็นน้ำมาทำเห็นรูปทุกเห็นน้ำทุก รู้จักช่วยรูปรู้จักช่วยดำแต่ก่อนมันรู้จักช่วยพอดีก็สูบเลาก็จินโกรธโลภหลงเอาทั้งนั้น <c oughs> อะไรที่ให้รู้นะเฉริหาล้มเหลวมาสะดุดเลยมาเยอะแยะไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปบอกใครๆก็ผ่านมาเป็นยังไง ไล้แต่วันเที่ยวเกิดมาได้รูปได้นา ม, มานี้เป็นอย่างไรอยู่ตรงไหนกันดูมองดูข้างหลังลองดูซิม่เป็นอย่างไงถ้าเราไม่รู้ก็บบนั้นเดียวยิ่งหนักเข้าไปอีกถ้าเราไม่ศึกษาไม่มีใครที่จะได้ประโยชน์จากก้อยจากใจไม่แต่มีโทษถ้าเราศึกษาแล้วได้ประโยชน์ เมื่อไม่เห็นประโยชน์เห็นรูปเห็นน้ำเห็นรูปทุกเห็นน้ำทุกมันก็รู้จักช่วยนีชีวิตขึ้นมามือนทุกไม่เป็นทุกนี่คือชีวิตเหมันสุขไม่เป็นสุขคือชีวิตมันโกรธไม่เป็นโกรธที่เป็นคือชีวิตชีวิตคือไม่เป็นอะไรมันก็ต่างเก่าอยู่เหมือนชีวิตอยู่ในพระอบ เหมือนนอนอยู่ในมุง้งวังเสียงยุงพระออ๊บรู้จักพระอบไหมคืออะไรพระอ๊บอ่ะฮะใส่ทองคำใส่เพชรใส่อะไรแหวนเพชรแหวนทองพระโอบ๊บเจ็บไว้ดีมันมีค่าตรงมีค่าไปเจ็บไว้ แต่ว่าโจรลักได้ไ่ไม่เสียได้อันชีวิตจริงๆมันไม่เป็นแบบนั้นมันไม่มันไม่ใช่คนลักได้มันเป็นสมบัติและวัตถยทรัพย์ไม่ใช่เพชรใช่ทองอันนั้นมันลักได้ขโมยได้ เมนเป็นอะไรชอบเนี่ยเรียกว่าได้ชีวิตถ้าเห็นไม่เป็นเนี่เหมือนกับชีวิตอยู่ในพราอบไม่เปือเปลื้องกับสิ่งใดเป็นเช่นนี้จึงได้ว่าชีวิตชีวิตที่เป็นอย่างนี้ไม่มีเจ็บไม่มีเจ็บไม่มีตายต้องต้องรู้อย่างนี้ถ้าเห็นต้องเห็นอย่างนี้จึงได้ประโยชน์จาก ชีวิตได้ชีวิตศึกษาชีวิตเป็นเครื่องเรื่องชีวิตคือส่วนนี้ไม่ใช่เข้าวปลาอาหารนั้นเป็นส่วนหนึ่งกินข้าวลงไปกินน้ำลงไปกินผักลงไปกินอาหารลงไปอย่างเท่าอย่างแก่แต่ว่าชีวิตนี่มันน่าดือดเหมือนโยอดโอชาแห่งโกรถลดแห่งพระธรรมชาลดท่องปว ง, ปงคือชีวิตแบบนี้ ไม่ใช่รสเผ็ดรสอรไอที่เราหลงหลงกันอยู่ไม่ใช่แบบนั้นเป็นรสเดียวอ่รสของโลกหรอนัมันมีหลายรสเสียงก็มีรสกลิ่นก็มีรสลิ้นก็มีรสกายก็มีรสจิตใจก็มีรสหูก็มีรสอะไรต่างๆมากมายหกรส แต่ละรสจนอยู่เสมอไม่รู้จกอิม่มรถของโลกไม่รู้จกอิ่มใช่ไกาบรลิงกราหารอาหารคือคำข้าวกินต้องเป็นลำคอก็มีหลายรถพัชาหารอาหารคือพัชะ ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจหนโ ม, โมโนโสัญจตอาหารอาหารทางจิตวิญญาณไปเสพอะไรมาไปติดอะไรมาตินยอมเป็นธาตุชิงเสพติดพู้อาหารของโลกเหมือนปาติดเบ็ดนักตกเบ็ดก็มียเยอะ <c oughs> อังตทาท่านหูเราก็หลงกันเท่าไร่แล้วลอิ่มเป็นไหมก็อะไรได้คิดอย่างไรพระพุทธเจ้าเคยโตกับพรา ม, มิจฉาทิฏฐิในเรื่ อ, อง น, าาอนี้ที่พระองค์ไปบินถบาบอดพระจะไปโปรดมิจฉาทิฏฐิพรามิจฉาทิฏฐิเศรษฐี เดินไปอุ้มบ่อยู่หน้าบ้านของเศรษฐีเศรษฐีบอกไปไปที่นี่เขาไม่ให้ตาพระเจ้ายังไม่ไปอุ้มบ่เจอยู่เศรษฐีก็บอกสองครั้งสองครั้งก็ไม่ไปก็ด่าเขาพราติเจ้าเป็นเหมืนไหน ถือแต่มอดินขอข้าวกินไม่ทำมาหากินอะไรสำนักหัวรุนพระเจ้าก็ดูก่นพรามเราก็ทานาอยู่อะไรสำนักอะไรโกหกไม่เห็นมีนาที่ไหนไม่เห็นมี มีไถอยู่ไหนไม่เห็นมีข้าวผูกข้าวพันอยู่ที่ไหนมีแต่มขขาขอข้าวขอจีนอโกหกใบกันใหญ่แล้วอูดโูอะไรต่างๆดูก่อนครามนาขของเราคือจรัทธาเราเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วต้องชั่ว เราจะพยายามละความชั่วทำความดีนี่คือนาของเราเรามีศรัทธาที่ทำความดีไม่ท้อถอยเรามีศรัทธาที่ละความชั่วไม่ท้อถอยความดีเท่าไรมีเราจะพยายามทำความชั่วเท่าไรที่มันมีเราจะพยายามละ เ, เรามีความหนักแน่นเรื่องนี้หรือว่าขันทัดไถเปลี่ยนความร้าเป็นความดีเหมือนไถ แต่ก่อนเวญนญ้าพริกมันลงไปให้เป็นปุ๋ยเปเลี่ยนด้เป็นดีเป็นคัดใยของเราเรามีน่าผลคือความเพียรมีฉันทะมีวิยญามีความเพียรบากบันเรามีเข้าปูกคือสติหวานลงไปรู้หลงไป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 เรารู้จักไข่ล่างเข้ารู้จักไข่ล่างออกเวลามันท่วมเราก็เปิดออกเวลามันแห้งเราก็ไข่ล่างเข้าหมายถึงชีวิตของเราเราต้องดูแลอยู่เสมอไม่ท่วมไม่แห้งในลักษณะต่างๆบางที่อะไรมันท่วมความพอใจควมไม่พอใจ มันท่วมทับความพอใจก็ไม่รู้จักเอีมมันท่วมเอาความไม่พอใจก็เหี่ยนแห้งไปเราจะไม่ให้มันเป็นเช่นนั้นเราจะถอนความพอใจและความไม่พอใจออกไปมีสติแล้วเลยอยู่ให้เป็นหนโพธิอยู่ตรงนี้เราได้ผลเกิดขึ้นมาได้จินไม่มีการเกิดแจ็เจ็บตาย อันพรามทำนายังได้ข้าวหมากินยังแก่ยังเจ็บ ย, ย, ยังตายอยู่อยู่แลกพรามก็ยืนฟังหน้าบูดหน้าเบืง้งบอกพระเจ้าพูดบ่ถึงตอนนี้สโลดจ่อยนั่งหลงอร่อยได้เข้าหมากินไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจินข้าวลูกเราก็ตายหลานเราก็ตายพ่อแม่เราตายปู่ย่าตายยายเราตาย มันก็นเป็นความจริงกเลยเลยเปิดประตูบ้านออกไปรับบาตนี่ยมนขึ้นไปบนบ้านไปพูดลงนี้ให้คนอยู่บนบ้านฟังมีบุตรมีพัญญาขึ้นไปก็โอ้ที่นั่งให้ก็ให้นั่งลงให้พูดลงนี้ชวนลูกชวนเมียมาฟังเดี๋วเจ้าพูดลงนี้ จากความมิฉาทิฏฐิเป็นสมาทิฏฐิแสดงตนเป็นพุทธมา ม, มกะกุฏขังตนนังกชามิตมังสนางก ช, ชามิสังขังสนางก ช, ชามิข้าพเจ้าขอถึงพระพนะุทธเจ้าเป็นเจ้าหน้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะสะนะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีอีกแล้วอาศัยสะนะเหล่า น, นี้ข้าพเจ้ามีปฏิปัญญาเกิดขึ้นพราะจากทูกต้องบวงได้พาลูกพาเมีย แดงตนเป็นพุทธบ่อมากะเอาเข้ามาใสรร่บาทไปส่งบาทรผู้ดเจ้ า, าเห็นไหมฮะหญิงเข้ามีเงินมีทองยังแก่ยังเท่าอยู่อะไรที่มันเป็นชีวิตจริงๆหนะได้หรื อ, อยังหรือจนกันอยู่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 เอเชื่อดีทุกคนอาจารย์นะ่ะท่านเรียนมาท่านรู้มาแต่ตัวปฏิบัติคือเราหนีท่านหลงอยู่ที่ไหนไม่ใช่หลงอยู่ที่นี่ทุกอยู่ที่ไหนไม่ใช่ทุกอยู่ที่นี้มันอยู่กับเราอยู่ที่กับอยู่ที่รูปอยู่ที่นามอยู่ที่กายที่ใจเวียนตรงนั้นสอนตรงนั้นง่ายๆทาได้ หายใจก็รู้ได้เดินก็รู้ได้เคลื่อนไหวก็รู้ได้เดียให้มันปรีเราใช้ชีวิตปรีมาเท่าไรแล้วหลงจนหน้าด้านทุกจนหน้าด้านไม่อายก็มีสติแล้วมันอายแล้วนี่จะไปให้ใครสอนไม่มีมีแต่เรานี่แหละเพียงแต่เราเป็นเพื่อนกันเฉย ได้ยินไหมไม่ชี้ฮะมือเต่หัวนอนอยู่นั่นเดกาก็พูอยู่เนี่ยนั่งพูดยู่เนี่ยมานานแล้วเกินจนจะตายไปแล้วตายไปแล้วก็อ <c oughs> เป็นหนี้บุญคุณของ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีแต่คนดีๆล่องลอยอย่งคนดีตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่รู้จะตอบแทนบนุญคนใครที่ทำได้เวลาไหนการตอบแทนโลกโ เ, เป็นดินนี้ที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีการพูดอย่างนี้แหละไม่มีสิ่งหนที่ม่นเข้าทุกสิ่งนี้คือมันชีวิตเป็นชีวิตจริงๆอะ นอกฉันนั่นก็รดต้นไม้มันก็มีชีวิตชีวานะรดต้นไม้มันเหี่ยวเอาน้ําไปรดมันมันสดชื่นขึ้นมาเนี่ยมันตอกฉนองสอนยะสอนโยมยังไม่ตบกฉนงสอนคนก็ไม่ได้ตอกฉนองมันก็การช่วยต้นไม้ จะให้ด่านะหลองตาสอนพระที่ว่าภูเขาทงใช้เครื่องขยายไม่เป็นพังบ่างซ่อมมาให้เราไใช่พังไปอีกก็บอกทุกอย่าง น้ำบัดนี่อยู่ที่ไหนไฟวัดนี้ที่ไดถ้าไฟไหมจะทำยังไงรู้หรือย่างพวกเราต้นของไฟกำเนิดของไฟอยู่ที่นี่มาจากไหนถ้าสมรอยู่ในศาลานี่ถ้าไฟไม่ศาลาจะทำยังไงรู้จากไหยแต่น้า ม, มันไม่ไหลน้า ม, มันไหลมาจากไหนน้าแห้งเหมือนเพราะอะไรให้รู้จากเครื่องขยาย มันมีและบบของมันห้าร้อยวัตต์มันก็มีลำโพงที่เป็นลูกใช้ให้รับน้ำหนักห้าร้อยถ้าต่ำกว่านั้นไม่ได้สูงกว่านั้นก็ไม่ได้เหมือนเด็กน้อยถ้าเอาหาบห น, หนักไปให้เด็กน้อยหาบมันจะหาบไหวไหมฮะ เหมือนลูกหลานคนหมูนะเขาอยอย่อมหลงตาไปให้มันพายโอ้ยหนักโอ้ยหนักโอ้ยหนักมันจะลองให้แตาไม่ออกอ้โอ้ยโอ้ ย, อยไม่ออกแล้วเด็กน้อยพิการเลยทำไมหลังหักขาหักมันก็บอกน้ำหนัก อันลําพงที่มันล้องโอ้ยโอยได้ยินไหมเวลาเปิดเน่ยอย่างที่เปิดเนี่ยร้องอีเนี่ยโอ้ยหนักแล้วนะก็ต้องช่วยมันเอาโมเอมอโมเตอร์ลดลงสักหน่อยมันหนักเกินด้วยรู้จักไหมมอแกงเน่อย่าใช้เกินกําลังเครื่องมันเนี่ยห้ารอยวัตต์เมื่อมันออกไปสู่อันเด่นกว่าห้าร้อยวัตต์ เครื่องที่รับน้าหนักในตรงห้าลอยวัตต์นะจึงเก็รับได้ถ้าไม่ถ้าใช่ไม่ถูกลำพงเครื่องขยายห้าอยวัตต์ลำพงเพียงสาสวัตต์สีวัตต์ก็บผายเครื่องห้าอยวัตต์ลำพงพันวัตต์อันก็หนักตัวเองเลยตัว น, นี้ก็พังอีกดูไหมจับตามาดู เปิตรงนี้ปิดตรงนี้ใช้ตรงนี้ใช้ไม่เป็นพังแล้วพังเองสอนยากสอนคนสอน <c oughs> สอนหัวสอนควายยังง่ายไปไป้ไปาย้ายหมดทำไปขว า, าไปสายขวาขวาถ้าไปตรงเอ่ยตรงปลายตรงปลายหยุด อ้อยยุดมันก็ยุดหม้อมันก็ไปนะสอนหัวสอขวยเทียมข้าเทียมไปเตรียมโล่ท้องเกียนมันเป็นสอนมันแล้วทิ่งไปปีหน้าผ้าใหม่มาทำเด็กมันก็มาเป็นมันไม่ได้หัดคนนี่ต้องบอกอยู่หรือแค่นั้นเลยอหรือว่าคนประเสริฐตรงไหนกันเราเนี่ยแต่ไม่สอนตัวเองอย่างเนี้ยจะทํำยังไง นันหลงกับรูเนี่ยมันยากไหมถ้ามันทุกข์กับรู้เนี่ยมันจะยากไหมมันทับน้อยอยู่ง่ายกว่าหลงง่ายกว่าทุกถ้าทุกเป็นทุกมันยากถ้าทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกมันง่ายๆให้รู้จักช่วยตัวเองสองสารตัวเองไม่ต้องสูบบุหรี่ได้ไหมไม่ต้องกินเหล้าได้ไหมร้เนไป z ่ว m <c oughs> เครื่องแลหล่น ล, ลงไปเมืองมนุษย์สโลกอยากจะบอกว่าหลงเข้าไปเมืองมนุษย์สโลกนี่เมืองเทวดาโลกสูงเย็นหน่อยไปเห็นช่างเขาเข้าเจ้าเขาเหลืองๆเตอะเตอเป็นอะไร ว่าเป็นโรคเบาหวานสุบปรีเฉยเบาหวานหนึ่งอย่ากินแป้งมากนะกินผักกินปลาอย่างเดียวอย่ากินแป้งเป็นข้าวเป็นอะไรที่เป็นแป้งแป้งไขมันมากวุลีก็อย่าสูบน้าจะให้มันหายถ้าจะรักชีวิตของเรา เรามีลูกมีเมียในเมียของเราลูกของเราถ้าเรารลกลูกกับเมียก็ต้องหยุดสูบบุหรี่ถ้ารลกตัวเองอ่ะถ้ามันรักตัวเองก็สูบแล้วมันจะตายง่ายเข้าไปอาหวานก็รักษาไม่หายรักษาไม่ได้สงบุรีเต็มกระโเผออยู่นะมีไหม <c oughs> <c oughs> เอามาสงบุรีให้เ <c oughs> จ้าไปเจ้่งหน้าหาจะบอกตรงๆไง เขาก็มันลากไม่ด้พยายามละอยู่หมอก็บอกอยู่แล้วเราจะลักบุหรี่ลักชีสเราแล้วลักชีเขาบลักชีิเนี่ยลักมาบุหรี่มาให้เราเขาก็เอาซองบุหรี่ให้หลงตอเอาไปนหนะหยุดนะอย่าซูบนะพอจะกกับก็จะมาชนิดก็เอาคืนให้เขาเพระวาเนี่ย บอกแบบนี้เขาไม่พอใจนะใช่ไหมพอใจไห ม, ไมอย่ากินหมากนะโอ้ยบูให้กินหมากกับบู้ให้กินเขาเสีดีกว่าให้ยินเขาพูดแบบนี้นี่เยอะแยะเลยไม่พอปางคยชอบหั้นการขูดทุ่งดงไปป่ะโขดเก่าทำํำไมขูดมันนี่อยากจะขูดเกาหลงพ่อขาวอยู่นั่น มันพ่นสีขาวเอาสีขาวออกโคดอกจะพ่นสีทองใหม่ยังหาศรัทธาไม่ได้หาผู้ที่ทําให้เวลาอาสาสมักได้ไหมผมพูดเขาอยู่น่ะสวยงามนะพุทโธพวกเนี้ยเอาโคสีขาวออกทุ่ดงไปก็โคดออกสีขาวมันเป็นชนิดมันมันไม่โดนออกโคดออกพ่นสีทองใหม่เจ็บปวดนะ เจ็บปวดโขดเนะี่ยมันอะไรเส้นหนิมคื อ, อยาติดอยู่ในนิโ ค, โ ต, าาโคโตีนอยู่ในเส้นเลือดอากานิโคตีนอยู่ในมันติดแล้วอะลรอดทนเนะี่ยมันเจ็บปวดต่อน น, นทนเอาปวดนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยเหมือนกับเหมือนกับเราเป็นโรคขี้ใครแม่ถูขอโอ้ยลองให้เลย แต่แม่ไม่ยอมถูถูถูออกแต่ลูกลองให้นะเพราะถ้าไม่ถูมันไม่ออกที่ใครเสื่มมใช่ไหมไม่เด็กน้อยนำมูกก็มาเนี่ยเอาเขีนคิดธรรมูกแล้วก็มาคิดกังเกงเป็นมันหมดเลยตอนนี้หัวแม่ก็สักเสร็จที่ถูคิดธรรมุคิดก่ลูกลองให้หาลูกไหบว่า ขณะที่แม่คิดเนี่ยมันเก็บปวดแต่มันสะอ า, า ม, อมันอชอาท้งาบอกหยุดอย่าไปสูบขอไม่พอใจอไม่ได้จนเงินชื่อบุรีหรอกบุรีมันหนึ่งก็บาดกกัวเท่าเด็กแล้วมาเงินได้เยอมาาะ ม, ยมันก็คิดไปแบบนัน้นไม่ค่อยพอใจงานขู่เกานาต้องอดทน เอาเชก่อวมอดทนเป็นเครื่องเผาเป็นตะบะเครื่องเผากิเลสแต่ไม่อดเช้าหน่อยเลยมีค่าอะไรเราทนเช้าหน่อยอย่าเป็นคนเปาะบางใจสกใจหม่หน่อยเป็นคนใจเสียงเช้าหน่อยรู้จัหมั้ยในไหมใจสกฟ้าเฮลีย ปลาทะเลไม่ใช่เหมือนปลาน้ำจืดปลาน้าเค็มใจสกตอนหนึ่งหลงตาอั้งเรือจับเกาะสมุยไปนครศรีธรรมราช อ, อยู่กับทะเลแล้วเรือน่อยเดือประมงเขามาเทียบมาขอใส่เรือใหญ่มันก็ไปมาขอใสไปด้วยมันก็จับไปแล้วเขาก็ ไดปลาตัวใหญ่ขึ้นมาวางวนหัวเหลือปลาตัวใหญ่วางบนหัวเหลือเนี่ยดีถางแทบเดียวตายแล้วใจสกบ้าน้ําเข็มบ้านน้ำจืดเอามาวางหัวเหลือมันจะมันจะเป็นยังไงฮะโรย ด, ด้ามลงไปหรือด้ไม่ตายง่ายอะไรก็ทุกอะไรก็ฉก หรือว่าใจสะกกันไปไม่ทนจักหน่อยนั่งปวดเดวโวยปวดตายตายตายไม่ไหวไม่ไหวกับบ้านดีกว่า <laughs> ไม่ไหวไม่ไหวแย่แย่แย่ตายตายตายไม่ต้องพูดเลยภาษาไทยสับเนี่ยได้ไหม น่าจะว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ต้องพูดเย่เยะไม่ต้องพูดตายตายไม่ต้องพูดหลงตาได้ได้คตินี่มาสมัยยี่สิบเจ็ดไปดูสองเวทเชี่ยสารพี่ล่องรอยพุทธเจ้าเห็นเขาสร้างทั้งมาชันตานะี่ลูเขาเป็นลูกตโตอยนะู่ เป็นตัวยู่แบบนี้นี่ภูเขาเป็นชอน่อยน้ําตกตัวเดียวระหว่างภูเขาก็ทําเป็นกติกาสัมปาลาเก้าหลังใหญ่กว่านี้สองชั้นสามชั้นอ่าฉันตาเจาภูเขาทั้งลูกเป็นสาลาเลียง ก, กันไปตำเนอะไมันเรียกว่าไงเก้าหลังไม่จะหลังี่ใหญ่เจาะขาไปเป็น เป็นภูเขาเจาะพระพุทธรูปเจาะต้นเสาฉลักต้นเสาที่เป็นหินเป็นดอกคัวพระพุทธรูปเจาะภูเขารูกนีอ่อยู่ในหินแล้วก็เจาะห้องนอนเป็นห้องนอนในศาลาเจาะเป็นหมอนสําหรับหมอนหัวเป็นก้อนีิเจาะเป็นช่องสําหรับวางผ้าสังกาติในพูกแต่ละศลาแต่ละก้าหลัง น, นมนุษย์เนี่ยไม่มีเครื่องยนต์นกลไกไม่มีระเบิดโอสงกัดตีไปมันจะเท่าไร่ทำไมจึงจงขนาดนั้นคนโบราณ พ, พันพันกว่าปีเนี่ ย, เ, ยเราเนี่ยบาบางขนาดไหนอะไรก็ทำไม่ได้หนอนตาไปวัดจะหาพระมหาัย ด, ดวัวนี่ยปิดประตูนอน ม้อยยาไปหน่อยอย่าทำแบบนั้นเป็นบาปไม่ทําอะไรยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์แก่โลกประโยชน์แก่พระศาสนามีประโยชน์มากเราทุกคนก็มีมีพ่อมีแม่มีพัญยาสามีมีมลกูกมีหลานมีเพื่อนมีเพออย่างน้อยเราก็อยู่นี่ให้สงเคราะห์กันอย่าทะเลาะวิวากัน อย่างเนี้ทําไม่ไหนเป็นไงไม่ต้องไปบรรลุธรรม่ะเมื่อแต่ใจดีๆอย่าทะเลาะกับใครๆหนึ่งไม่บีเ่เบียนตัวเองเอาไว้ก่อนสองไม่บิดเบียนคนอื่นเอาไว้ก่อนสามไม่บิดเบียนเชิงเงินเลยในโลกนะ่ะเอาอันนี้ไว้ก่อนเหมือนกับราดขึ้นไปจะเอาวันนี้บรรลุธรรมเลยอาจจะไม่ได้นะ <laughs> อาจจะไม่นั่งไม่นอนเลยไม่ได้แต่ว่าใจยังหมกบุ้นอยู่เนี่ยมันยังไม่พร้อมต้องลาศไปก่อนมองอะไรเมตตาออกหน้ามองอะไรกรุณาออกหน้าไปก่อนอย่าให้ความพอใจความไม่พอใจไปก่อนเราใช้ชีวิตอย่างไรเรานะเราใช้ชีวิตแบบไหนมันเหมาะที่จะบรรลุทําได้ไหมเนะเอียดกนนั้นเลอะคนนี้ พอใจจึงนั้นไม่พอใจจึงนี้อันนั้นไม่ใช่ชีวิตนะอนนันเป็นภพที่ชุดเลยไม่รู้ชีวิตเป็นหไปเขียนที่ไหนแล้วแต่อารมณ์จะพาให้เป็นไปเหมือนข้องเขามาตีก็มีเสียงเสียงมันเสียงเหตุปัจจัยต่างๆดังขึ้นมาพอใจดังขึ้นมาไม่พอใจก็ได้ เต็นตีกองเพนน่ยถ้าเพื่อเป็นบาปนะกองเพนเนี่ยทำไมกองเพนจึงเป็นบาปจะไห้เป็นเนนน้อยนะถ้าใครเยอะท่องเยอะถาปฏิยังไม่ได้ถ้าใครยังท่องปฏิสังขยโยไม่ได้เป็นบาบตายไปเป็นควายตู้แล้วก็ตอจยจากควายทู้ไปใช้ดาให้เขา ข่ยตูต้องไปเฒนาให้เขากินข้าวของไม่ใช่เขาเป็นหนี้เขาตายไปเป็นควอยตู้เป็นเล่ชัยพันาให้เขาข่อยตู้ตัวนั้นตายไปเขาเขาหนังห่อกองเพนเขาว่านี่นะ <c oughs> แล้วตีที่ใดกองเพนเนี่ยเรียกว่าอัจฉมิยาอปัจเวกขิตาวตีที่ไหนฉังกองฉังกองเพนเนี่ย อาจารย์วาปัจจัยที่ว่ายังบินทะ ป, ะปทาโตปลิจารุตีเทกะสวนเราจะพิจารณาอาจารย์ว่าไจังกาโยนิโบินทาปาังวิเชวาเมป่งยามาเทวาทิรัเ <ś c oughs> สียงขางของกองเพนแต่ไมเป็นแนนนะครูกันนะไนะด้เวลาไปเบ็นทบาทต้องว่ายาะถาปยังนะ ยาถาปังว <avoiding> <energy> <pal> ัตมานังทันวัตไมเวตางังวตปโตว่าให้จบโยมใส่เข้าก็นังลงถึงบาทต้องจบไม่ข้องด้วยโดน่ะยาโยมจะบาทยนถาปังวัตถามันังทันตวัตถมเวตางยตังวิตะปโตที่เ็ตัวชุลนชยุสโนชปโชนจังจัมจังจังจังะยังจังจังจังจังจังจังจังจังจังจันจังจังจังจังจังจังจงจังจังังจง โอ้คนนี้สวยเนาะคนนี้ไม่สวยเนาะเพราะดมละเบิดให้ดีนะตายเป็นควายตู้เลยบางทีมองคําข้าวเห็นข้าวเขาก็โอ้ยข้าวงามเนาะคิดหอบเห็นปีงไก่เอาไว้กินก่อนเชิซอดน่อยก่อนมีนะเดี๋ยวสมัยจุพุทธยานนะไปเป็นทญาบาน มีพระ อ, อาจารย์ไปสายนี่มีพระหวหน้าไปสายนี่ไปกำเนินน้อ ย, เ, ยเราเล่าให้ฟังสักหน่อยพนะุทธยาณสมัไไหมบวดใหม่ๆอยากฟังไหมย่าห <c oughs> าว่ <c oughs> าอาว่า <c oughs> พูด <c oughs> เรื่องพระนะไม่บาปนะ <c oughs> เป็นตัวอย่างอาจารย์ก็ได้สิ้นไก่ เขาเนนน้อยก็เห็นเปีงไก่ตกใส่บาตรเน้นน้อยเป็นคนจกอาหารลอกร บ, บาด เ, เวลาบินทบาทมาถึงศาลาแล้วก็มีหวังว่าวันนี้จะได้ปิ้งไก่แบ่งกันฉันละอาจารย์วางบาทเนนก็หวางบาทไปล่างเท้าขึ้นศาลาไปจกบาอาจารย์เปิดบาตรไม่เห็นปีงไก่เลย เิ้งไก่ห้ไปไหนไหนไปจบบาดตัองยังเห็นอันปิ่งไก่ในบาดอาจารย์หายไปไหนนอนเนี่ยมาถามใครนี่เอาขึนไก่ออกเรียงเนี่ยม่ยังปิ่งไก่หาไปไหนเหเห็นวิ้งไก่ตกอาจารย์บาทมาต้งจับปังใจเลยก็ไม่โล่เลยนอนวิ่งไปถามอาจารย์อาจารย์อาจารย์วิ่งไก่ไปไหนเห็นตั พิ <elt> ้งไก่ไปไหนพิ้งไกไไ่าาก ไ, กไปไหนอาจารย์ก็เฉยพิ้งไก่ไปไหนอาจารย์เอามาสิถามยังก็ระโดดเน้นหน่อยตะไปแม่ม <c oughs> บรรยากาศบมามาบอกเราอาจารย์อาจารย์อาจารย์ไม่ให้เราพิ่งไก่ถามก็บอกเลยไม่จะตตาผมตีผมเขี้ยนบมบิ่งมาเนี่เอาอยาา่าไปถามช่าอองหัวเขาเนี่ยมีบรรยากาศเน้นก็ยังหนุ่ม ก่อนพุทธิยานเนี่ยเบนไดบาทมาต้องแบ่งกันเอกเวุ่นรุกหนังม็ดซอยนะเออนั่นเราไม่มีลงทานมันเท่าไหแบ่งกันจริงๆรนะินเออนั่นแน่ไม่มียะถยาปยัญญาอุกวบ น, นี่กูรวยปิ้งไก่แล้วประโยชนปิ้งไก่ไปกินเพื่เดียวคนนะเป็นอย่างนั้นเหลยตายเป็นขวยตู้ ในน้อยสมัยก่อนกลัวกันนักหนาไม่ไรแบงกันเลยเพราะนั่นนี่คือทำไม่ไหนเพียงเนี่ยมีทำไม่ไหนนี่บรรลุธรรมได้นนะถ้าถือปฏิบัติตามจริงๆถ้าไม่ปฏิบัติธรรมทำไว้ไหนเท่าไร่ก็ไม่ได้ดอกไม่บรรลุธรรมดอกจึงด้วยศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยมันต้องเกิด ขึ้นมามีสติเข้ามาต่อนพูดก่อนทำก่อนคิดมีสติเล้นี่แหละก็อลงหมาสู่สติพูดมาในสี่สิบ0สิบปีก็เรื่องสตินี่แหละมีทุกคนเนาะอ้เอย็นวออ๋อเอ๋วังก็มีด้วยประการใช่ห